ก็เพิ่งพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้ดีการสํารวมใจเป็นสิ่งจำเป็นเพราะใจนี่มันวอกแวกถ้าเราไม่มันสํารวมแล้วมันจะเพลินมันจะเมาไปทั่วมันจะไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ ความุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมก็เพื่อฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นนี่เป็นจุดสำคัญนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วใจนี่มันจะไม่ค่อยได้ตั้งมั่นเท่าไหร่นะตั้งกะตั้งได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็วันไหวไปนู่นไปนี่อยู่ร่ำไปอยู่นี่ ทำเมื่อใจวันไหวไปอยู่นั้นมันก็หาความสุขไม่ได้นี่แหละทุกคนก็ต้องการความสุขทีนี้เมื่อต้องการความสุขแล้วคนไม่มีปัญญาอันสุ ข, ขุมรุ่มลึกมันก็ไปแสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองมองเห็นใตความสุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอน สุขในการเพิดเพลินในมรรสศพคกเงินต่างๆสุขในการมีลาบมียศได้รับสรรเสริญเยินยออันนี้ชอบล้ลยคนเราในโลกนี้นะเกิดมาแล้วใครๆก็ชอบทั้งนั้นเลยชอบให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญแต่ไม่ชอบให้เขานินทาตีเตียน ถ้าใครมานินทามาตีเตียงเข้าหมไม่พอใจเลยหาทางตอบโต้อเอาไปเลยนี่หละจิตของคนเรามันลำเอียงมันลำเอียงไปตามอำนาจของกิเลสเพราะนั้นอย่าไปเชื่อความคิดความนึกตัวเองที่ไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระเจ้า คำสอนของอุตตเจ้านั้นสอนให้คนเรามีจิตตั้งมัน่นไม่ให้วันไหวนี่นะหลักมันนะไม่ให้มันวันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายความกโกรธความขับแค้นใจความเศร้าโศกเสียใจต่างๆมันนี่นะมันมันล้วนแต่อาการของทุกข์ทั้งนั้นแหละ จิตที่เป็นไปอย่างนั้นจิตที่จะเป็นสุขแน่นอนจริงๆก็คือจิตตั้งมั่นไม่วันไหวนี่ไม่วันไห ว, ว, วต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งส่วนดีและส่วนชั่วแล้วก็เลยบรญญัติกันว่าเป็นความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ว่า ถ้าจิตนี่มันรวมลงเป็นหนึ่งมันตั้งลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วสุขก็ไม่ว่าทุกข์ก็ไม่ว่าออมันเน่มันก็เป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นเอกโกธรรมโมเป็นธรรมอันเดียวเมื่อเป็นธรรมอันเดียวแล้วมันก็ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละแต่ที่ที่ว่ากันอยู่นี่ก็ <c oughs> เนื่องว่าแต่มันมีลักษณะอยู่สองอย่างอันชีวิตของคนเรานี่นะเหตุนั้นมันจึงต้องได้บรญยัตมาใช้กันลักษณะสองอย่างก็คือสุขกับทุกข์นั่นเองเ่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดทีนี้ถ้าหากว่าทุกข์ดับไปอย่างนี้นะจิตใจก็สบายจิตใจที่มันเฉย มันอิ่มอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละก็เลยสมมุติกันว่าเป็นทุกข์อย่างนี้นะเอาสมมติเอ า, าจิตวันไว้จิตเล่าร้อนนั้นว่าเป็นทุกข์สมมุติกันว่าเอา <c oughs> ทีนี้เมื่อจิตมันละเหตุแห่งทุกข์ไปได้แล้วมันไม่ยึดมันถือมันในเหตุแห่งทุกข์แล้วอย่างนี้จิตนี้มันก็ เป็นปกติอยู่เท่านั้นเองมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไม่คับแค้นอะไรอย่างนี้เลยจุดบุ่งหมายที่พระพุทธเจ้ า, าทรงแนะ น, นำสั่งสอนพุทธบริษัทพุทธบริษัททั้งหลายนันมันอยู่ตรงนี้เองนี่ยอยู่ตรงนี้การที่บุคคลจะได้บรรลุ มรรคผลนิพพานนะก็เพราะมาตกแต่งจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นลงไปอย่างว่านี่แหละไม่ให้มันหวั่นไหวนี่นะไม่ให้มันยึดมันถือเอาอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิน้นทางกายมนีมันกระทบมาทางไหนเรารู้ทัน รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันเป็นแต่เพียงปรากฏการเท่านั้นเองนะความจริงเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเช่นอย่างว่าตาอย่างนี้นะตานี่มันก็ซักแต่ว่ารูปเฉยๆนี่แหละความเห็นอ น, นั้นมันก็เป็นแสงสว่างที่มันออกไปจากประสาทตานี่ แสงสว่างอันนั้นมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันมันไม่ได้เป็นวิเศษอะไรต่ออะไรยิ่งไปกว่านั้นเป็นธาตุอันหนึ่งสำหรับให้ได้มองเห็นโน้นเห็นนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าผู้ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ท้วนแล้วไอ้จิตดวงเนี้ยมันก็ไปหลงหลงตาหลงแสงตาหลงแสงตาที่มองเห็นรูป ต่างๆนั่นน่าโม น, นั่นถ้าไปมองเห็นรูปที่ร่ายรูปไม่ดีไม่งามก็เกลียดชังไม่พอใจถ้าไปมองเห็นรูปสวยสวยงามงามเข้าไปแล้วเอาเกิดชอบใจขึ้นมาอย่างนี้เรเรียกว่ามันหลงแสงตาหลงดวงตาที่มันประกอบแสงตาให้เกิดขึ้น นี่ถ้าเรามาย้อนทวนกระแสะเข้ามาพิจารณาตากับแสงตานี่ดูเราเห็นเป็นธาตุเป็นสภาวะธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุล้มลงไปแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลไปยินดียินร้ายไอ้กับตาที่มองเห็นรูปอันนั้นนะมันก็มันก็จิตใจมันก็เฉยได้พราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไร หมายเขามาอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ทวนกระแสะมาโยนมาพิจารณาตาพิจารณาแสงตาอันนี้เราไม่ได้ลนะ่ะเดี๋ยวจิตก็วันไหวจิตก็หลงหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนามันต้องพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนอย่าจะไปนึกว่าอืมทุก อาญตนะต่างๆวันนี้เรารู้แล้วทําไมจะไม่รู้เมื่อรู้แล้วเลยไม่ได้พิจรารณาใครควรให้ละเอียดถีถ่ทุนลดเข้าใจว่าตนรู้แล้วเท่านั้นแหละแต่แล้วเมื่อเวลารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆกงระทบกรทั่งเข้ามาเอาแล้วหลงแล้วผิตใจวันไหวไปตามแล้วอย่างนี้จะว่ารู้ยังไงเล่าแบบนั้นนะอไม่จัดว่ารู้ต้องเตือนตนอย่างนี้ อย่าไปร่วงอย่าร่วงเลยกรรมฐานที่เราจะพึ่งพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งอันมูลเหตุที่จะให้จิตใจมันลุ่มหลงไปต่างๆนานานี่นะก็ตรงนี้เองเนี่ยเพราะความไม่รู้แจ้งใน อายตนะภายในายภายนอกที่มันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ใช่ไหมตาอย่างนี้มันก็มองเห็นรูปอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่หลับใบเสียจแล้วนะหูนี่มันก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่เสียงอันหนึ่งก็เสียงอันหนึ่งเอาจมูกมัก็ได้สูดกลิน่นถ้าไม่ใช่กลิ่นเหม็นก็กลิ่นหอมถ้าไม่ใช่นั่นก็กลิ่นเฉยๆกลิ่นธรรมดา อย่างนี้แหลลิ้นมันก็ได้รับรสอยู่อย่างนั้นแหละรสน้ำลายตัวเองไม่มีรสอาหารก็ดีมันก็รู้สึกอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> กายมันก็ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่อย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวก็สัมผัสกับความหนาว <c oughs> เดี๋ยวก็สัมผัสกับความร้อน <c oughs> เดี๋ยวก็ สัมผัสกับความไม่หนาวไม่ร้อนก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไอ้โรคสันนิบาตอันนี้นะมันนี้ใจนะใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นเลยบันนี้อารมณ์ใดอย่างเข้าไปใจก็มีหน้าที่รับรู้ทั้งนั้นเลยถ้าใจไม่ฉล า, าดไม่มีปัญญาก็หลงแหละมันนี้นะหลงอารมณ์ที่มัน เข้ามาทางตาเป็นต้นอย่างว่านั่นแหละแ้วมันก็ร่วงลงไปถึงใจถ้าใจไม่ตั้งมัน่นใจไม่ฉลาดก็หลงวันไว้ไปตามอารมณ์เหล่านั้นนี่นะความจริงมันมีอย่างนี้เลยเหตุที่จิตใจมันจะวันไว้มันจะพุ่งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบนี่ก็เพราะมันหลงอยู่ในอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนี้เองหนะลงอยู่ในวิญญาณความรู้สึก น, นี้ วิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมกูกวิญญาณลิน้นวิญญาณกายวิญญาณใจหลงความรู้สึกหมายความอะไรงั้นเนี่ยอพอพอมันเกิดความรู้สึกในอารมณ์ที่ในเรื่องที่ไม่ชอบใจอย่างเนี้ยมันก็หงุดหงิดขึ้นมานี่นั่นเร็ว่ามันหลงหล ง, หลงความรู้สึกในเรื่องที่ น่าเกลียดน่าชังตามนิยมสมมุติของโลกแล้วก็งุดหงิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นมันหลงมันไม่รู้แจ้งน ะ, ะเมื่อมันได้สัมผัสกับอารมณ์เอากับเรื่องที่น่ายินดีจิตใจก็สักจะยินดีขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เลย คนทั้งหลายนะ่ะผู้ผู้ได้ไม่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งปีนาให้ละเอียดแล้วนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเ อ, อจิตที่ยินดียินร้ายไปต่างๆน า, นานาหมดนี้นะเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยไม่ได้สนใจมันเลยเวลาที่มันสะสมความยินดียินร้ายในมากขึ้นมากขึ้นแล้ววนันนี้มันเดือดร้อนขึ้นมาแล้ววนันนี้เพราะว่า ความอยากได้อะไรต่ออะไรนี่มันลดมากมายเหลือล้นในจิตใจนี่นะแต่ว่าไปแสวงหาไม่ได้ดังความคิดนี่สิมันเดือดร้อนน ะ, ะมันเดือดร้อนมากกเพราะมันไม่สมหวังนั่นเองเ่ยทีนี้ถ้าว่าบุคคลมาพิจารณาอายตนะภายในายภายนอกที่นาวิญญาณความรู้ แจ้งในตาเป็นต้นดังกล่าวมานี่ให้รู้ชัดตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสภาวะธาตุแต่ละอย่างละอย่างเอมันกระทบกระทั่งกันเข้าไม่ควรที่จะไปหลงยินดียินร้ายไปตามนี่ถ้าผู้ใดรู้จักสอนใจตัวเองเตือนใจตัวเองเสมอเสมออย่างนี้มันมันก็รู้เท่าเลยเออ ถ้าไม่เตือนใจบ่อยๆนี่มันก็หลงแหละหลงยินดียินร้ายไปตามอไปอย่างนั้นเลืงมันนะอย่าไปสงสัยอย่างอื่นใดที่จิตใจมันฟุ้งซ่านวันไหวไปกต่างๆนานายอยู่นี่นะก็เพราะมันหลงนี่แหละมันไม่รู้แจ้งในอายตนะสองอย่างอย่างว่ามา น, นั่นแหละไม่รู้แจ้งในวิญญาณ เพราะฉะนั้นการภาวนาเมื่อทําใจสงบลงไปได้แล้วเราก็มาเพ่งพิจารณาหมู่นี้แหละอายตนะภายในอายตนะภายนอกหมูนี้พวกนักเรียนนักธรรมก็เรียนกันมาแล้วนี้เมื่อเรียนมาแล้วเราก็มาฝึกซี่แบบนี้นะฝึกจิตใจให้พิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรง แสดงไว้แล้วเราได้ศึกษาเราเรียนจดจำมาแล้วนั้นก็มาใคร่ควรมาพิจารณากันเช่นอย่างอายตน า, า น, นาภายนอก 6, หกมูนั้นนะวิญญาณหก อ, อย่างนี้นะวิญญาณมันเกิดได้อย่างไร ก็ในหลักเพื่งก็ว่าอาศัยลูกมากระทบตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าโสจักขวิญญาณอาศัยเสียงมากระทบหูเกิดความรู้ขึ้นทันเดียกว่าโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นมากระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่าคานวิญญาณอาศัยรสมากระทบกับลิ้น เกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณอาศัยเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายนี้เข้าไปเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่ากายยวิญญาณอาศัยธรรมมารมทั้งห้าประการนี่แหละไปกระทบกับใจเข้าไปท่านก็เรียกว่าได้กระทบกับใจนะแล้วใจได้รู้ ได้รู้สึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นท่างก็เรียกว่ามโนวิญญาณอันนี้นะจำเป็นที่เราจะต้องพินิษพิจารณากันเนะอย่าไปอย่าไปเรียนจำไว้เฉยๆเป็นนังภาวนาทาใจสงบเราพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปเมื่อพิจารณาให้เห็นให้เป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาแล้ว มันก็จะคลายความยินดียินร้ายในอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี้ลงเพราะมันมองเห็นว่าไม่มีสาระเกณนสารอะไรนี่เป็นของว่างเป็นของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลนะอถ้าเราเพ่งพิจารณาให้ลงถึงปรมัตทธรรมอะพิจารณาลงไปถึงสภว า, ธาธสภวาธรรมลงไปอย่างนี้นะมันมันก็ มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นแกนสารเลยในร่างกายสังขารอันนี้นะมองรู้อาวัยวะส่วนใหญ่ส่วนไหนก็ดีมันก็ว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลอยู่งั้นแหละเมื่อจิตมันมองเห็นอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้แลนะมันไม่เศร้าจะไปยึดถืออะไรบ้านี่ยมันก็ไม่ยึดถือแล้วเห็นอะไรก็สักว่าแต่เห็นไปอย่างนั้นแหละฟังเสียงอะไรก็สก็แต่ฟัง แต่ไม่ได้สำคัญว่าเป็นเป็นจริงเป็นจังอย่างที่ว่านั้นเออก็ก็รู้รู้ว่าเป็นสมมุติเท่านั้นเองเนี่ออสมมุติว่าเสียงสมมุติว่ารูปอย่างนี้นะสมมุติเอาเท่านั้นถ้าหาก็ไม่สมมุติแล้วมันก็เป็นสภาวะธาตุอยู่ตามเดิมของมันนะมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์มันไม่ได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นไวกลางคนเป็นไวแก่อะไรพวกนี้มันไม่มีใครว่าอะไรนะถ้าจิตไม่ว่าแล้วไม่มีใครว่าอะไรมันก็เป็นสภา ว, าภาวธรรมอยู่ตามธรรมดาของมันเองเอสิง่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แ ป, ปรปลวนไปท่ามกลางในที่สุดก็แตกกลับลงก็เป็นอยู่อย่างนี้เองเนะร่างกายสังขารอันนี้นะ แต่คนเรานี่มันไม่มีความเพียรพยายามนะไม่ต้องการอยากจะรู้เสียเลยนะสูนมากนะเต่นั้นจึงไม่พยายามนั่นเลยถ้าหากว่าต้องการอยากจะรู้อย่างนี้นะผู้นั้นมันก็เอาใจจดจ่อสิป่ะนี้ทำความเพียรแล้วทำอย่างไรเราจึงจะรู้แจ้งนในสภาวธรรมสภาวธรรมต่างๆเหล่านี้ได้กับข้าเพียรพยายามลงไป มันก็ไม่เหลือวิสัยนะเมื่อเราเพ่งเข้าไปไม่ส่งออกนอกนะมีแต่เพ่งเข้าในนี่ไม่มีผิดทางเลยแต่เพ่งเข้ามาภายในนี่นะเพ่งเข้ามาในความรู้สึกอันนี้เอาสติมาประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ให้มันนิ่งอยู่ไม่ให้มันคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไร ไม่ต้องนะมันเป็นงนั้นจะให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นก็มันนิ่งไปนิ่งมามันก็บรรนีมื่อ ม, มองดูร่างกายสังขารที่โนอาศัยอยู่นี่มันจึงได้เห็นว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเห็นเป็นของว่างนะแต่เมื่อยังจิตใจยังว่าวนอยู่ยังฟุ้งซ่านเลื่อนรอยอยู่ อย่างนั้นนี่มันไม่ได้เห็นว่าเป็นของว่างอะไรมันก็เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นะเป็นเขาเป็นเราเขาดีอย่างนั้นเขาชั่วอย่างนี้ เ, เราดีอย่างนี้เราชั่วอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันก็มีแต่เขากับเราอยู่เนี่ยในหัวใจ น, นะนะตรงนี้สำคัญมากเลยเอ่ะเอ็นีเ่เนื่องจากว่าเมื่อจิตใจไม่ตั้งมั่นแล้ว มันก็ย่อมไหลไปตามสมมุติของโลกนะเพราะโลกเขาสมมุติกันอย่างนั้นนี่เมันก็จำเป็น่ะต้องต้องสมมุติไปตามเขาอย่างนี้แหละวันนี้ไอ้คนส่วนมากในโลกนี่นะมันก็ล้วนแต่หลงสมมุติหลงบัญญัตินี่ทั้งนั้นเลยมีส่วนน้อยที่จะไม่หลงนะั่นนะมีส่วนน้อย ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะ่ะเรียกว่าเรามาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ให้จิตมันคิดแล่นไปตามนิยมสมมุติของโลกอ่โลกเขาสมมุติว่าสิ่งนั้นน่ารักเราก็ห้ามจิตไม่ให้ไปรักมันโลกเขาสมมุติว่าบุคคลผู้นั้นสิ่งนั้นน่าชั้งน่าเกลียดเราก็ไม่ทรงใจไปเกลียดไปชังกับ สมมุติของโลกเขาอ่ น, นี่เรายยมมีสติประคองจิตท่ามจิตให้ยับยั้งอยู่ภายในไม่ให้ตื่นเต้นไปตามนิยมสมมุติของโลกนี่นะการปฏิบัติธรรมนะความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมนะให้พากันเข้าใจ <c oughs> เมื่อเราห้ามใจอันนี้ได้ไม่ให้วันไวไปตามนิยมสมมุติของโลกแล้ว ใจนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ก็เหตุเพราะมันวิ่นไปตามกระแสของโลกนี่แหละเอาโ ล, โลกเขาโฆษณากันสมัยนี้เป็นสมัยที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูคนร่ลำรวยกันมีรถมีลาคีมีบ้านอยู่หรูหรา อะไรอย่างนี้น ะ, ะตนไม่มีก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วริ้นล้นนะเอ๊ะทำไมเราไม่มีเราต้องหานี่ดิ้นลนสแสวงหาแบบนี้เมื่อตนมีบุญน้อยนะแต่ชาติก่อนตนทำบุญน้อยมาริ้นสแสวงหาจากเท่าไหร่มันก็ไม่รวยเหมือนเขาเขาที่รวยนั่นเพราะว่าเขามีบุญเก่านั่นหนน หนุนทรงมันถึงร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ร่ำพังแต่ความคิดในปัจจุบันนี่นะสติปัญญาในปัจจุบันนี่ไม่มีทางหรอกมันจะไปร่ำรวยได้นั้ น, น <c oughs> มันร่ำรวยไม่ได้เหมือนอย่างนิทานมากอกแห้งที่ท่านเล่าไว้สองสาหาย ชวนกันไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองทีแรกก็เดินทางร่วมกันไปมัดนี้พอใกล้จะเข้าไปสู่ในเมืองสหายคนที่สองนั้นแยกจากสหายคนที่หนึ่งพอใจจะไปหาเงินหนาทองตามชนบทบ้านนอกเอาสหายคนที่หนึ่งพอใจจะไปแสวงหาทรัพย์สมบัติอยู่ในเมือง ใหญ่ต่างคนต่างก็ไปคนที่ไปแสวงหาทรัพย์อยู่ในเมืองใหญ่นี่เกิดรวยขึ้นจนเป็นเศรษฐีนคนที่ไปแสวงหาทรัพย์อยู่ตามชนบทบ้านนอกนั่ะไม่รวยเลยจนจนอย่อยางนั้นเลยวันานี้ท่านต่อมานี่พระราชาในเมืองนั้นสวรรคตลง เสนาอำมาตยมาประชุมกันเราจะเลือกอย่างไรอ่ะเลือกเอาพระราชาของเราอ่ะก็ก็เลือกเอาคนผู้มีวาสนามีบุญเราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคนมีบุญเอาต้องตกแต่งเครื่องสักการะบูชาต่างๆขึ้นแล้วเชื่อเชิญเทวดาลงมา ขอให้เทวดาช่วยดลบันดาลให้บุคคลผู้มีบุญวาสนาเรากำหนดวันเวลาไว้ว่าถ้าใครมาสู่พระราชวังนี่นะเวลาสมมุติว่าเวลาสิบโมงเช้าอย่างนี้ถ้าผู้ใดหักดันเข้ามาสู่พระราชวังนี่ตรงกับเวลาสิบโมงเช้านั้น ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีบุญวาสนาสมควรจะได้ครองราชสมบัติในเมืองนี้พวกเราจะต้องอภิเศกให้ท่านผู้นั้นเป็นพระราชาของพวกเราทั้งหลายอท่านปรึกษาตกลงกันอย่างนั้นแล้วก็ประกาศเลยวันนี้อืประกาศวันที่เท่านั้นเวลาเท่านั้น ถ้าท่านผู้ใดเดินทางมาแล้วเข้าสู่พระราชวังนี้ทันกับเวลานั้นอย่างนี้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญวัสนาจะได้ยกขึ้นเป็นพระราชานี่ให้ให้รู้กันอยู่ตั้งแต่คณะกรรมการเท่านั้นเรื่องอย่างนี้คณะกรรมการไม่มีสิทธิ์เพราะว่าพวกกรรมการนี่ เมื่อรู้เวลานั้นถึงถึงเวลานั้นก็เข้าไปในพระราชวังก็ได้เป็นพระราชาสิอย่างนั้ น, นก็ไม่เอาอะเอาแต่คนนอกคนที่ไม่รู้กติกาอย่างนี้นะแต่มันบังเอิญอนะโดนบรรดาลให้มาด้วยวาสนาบา ร, รมีของตนอย่างนั้นเรื่องมันนะพอประกาศอย่างนั้นแล้วไอ้เศรษฐีที่ไปประชุมกับเพื่อนนะเศรษฐีคนนั้นนะ่ะ ก็นึกถึงเพื่อนเอเพื่อนของเรายังตั้งตัวไม่ได้เลยเอาละเราจะช่วยนะให้เพื่อนได้เป็นพระราชาในเมืองนีนะ้ก็เลยออกจากเมืองไปเราไปหาสหายอา่หาสหายเราจะบอกข่าวที่เป็นมงคลให้ทราบว่าในวันที่เท่านั้นนะ เวลาเท่านั้นนะถ้าหากว่าใครเดินทางเข้าไปสู่พระราชาวังนั้นได้ทันกับเวลานั้นน่ะเขาจะถือว่าเป็นคนมีบุญมีวาสนาเขาจะได้ยกคนผู้นั้นให้ขึ้นเป็นพระราชาเพราะฉะนั้นสหายต้องเตรียมตัวให้ดีนะวันนั้นนะต้องตื่นแต่เช้ารออับประทานอาหารอะไรเสร็จแล้วรีบเดินทางเข้าไปในเมือง ไปให้มันไปทันกับเวลาอย่างนั้นแล้วแกจะได้เป็นพระราชาแน่นอนเลยเจ้านี่ก็ดีอกดีใจขอรุ่งขึ้นมาก็เตรียมตัวเต็มที่เลยทานหมหันเลยแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปพอใกล้จะไปถึงพระราชวังของพระราชาก็เกิดปวดท้องขึ้นมาแล้วบันนี้ โอยธรรมดาปวดท้องใครไปอดได้แล้วมันก็ต้องไปแล้วพอเสร็จธุระอันนั้นแล้วไปที่ไหนมันเลยเวลาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเลยเวลาแล้วถือว่าคนนั้นไม่มีวาสนาก็เลยไม่ได้เป็นพระราชาเอาวันนี้สาหายคนที่หนึ่งนี่ยังไม่ยังไม่ลดละความพยายาม ก็ชวนสหายคนที่สองนี่ไปบ้านเจ้าของบานนี้พอไปถึงแล้วก็อ้าขอให้สหายจงอธิษฐานในใจของตนว่าให้ยิงธนูขึ้นไปสู่ท้องฟ้านั้าลูกธนูตกลงมา ถ, ถูกวัตถุสิ่งใดมีน้ำหนักเท่าใดเราจะให้ทองคำน้ำหนักเท่านั้น สหายลองอธิษฐานถึงบุญญาบารมีของตนสิอธิษฐานแล้วยิงหน้าธนูขึ้นไปพอสหายคนที่สองนี่อธิษฐานในใจแล้วก็ยิงหน้าธนูขึ้นไปสู่ท้องฟ้าลูกธนูตกลงมาก็มาเสียบเอาลูกมากรงแห้งกันในที่สุดแกก็ได้ทองคําน้าหนักเท่ากับลูกมากรงแห้งทอนะลองคิดดูอ่ะ นี่ลหละคนเรานะจึงได้สมกับที่ว่าปุบเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำคุณงามความดีมาแต่ในชาติปางก่อนนี่ท่านว่าคุณธรรมเหล่านี้ดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญอันนี้นับว่าถูกต้องเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้ก็ได้เกิดมาอยู่ในประเทศอันสมควรเกิดมาแล้วก็ได้มา คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนำสั่งสอนให้รู้จักหนทางธรรมาหาเรี่ยงชีพโดยทางที่ชอบก็พากันไป ท, ทำการงานที่ชอบด้วยศิลด้วยธรรมด้วยกฎไม้ไม่ล่วงละเมิดกฎไม้อย่างนี้นะแล้วเมื่อทำคุณงามความดีเข้า ในปัจจุบันนี่ด้วยแล้วก็ประกอบกับบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนหนหลังมาสนับสนุนด้วยมีความสุขกายสบายใจขึ้นมาได้นี่องค์สมเด็จพระภูมิพุาธเจ้าทรงตัดสรู้แจ้งความเป็นมาแห่งชีวิตของมนุษย์เรานี่นะอะ ได้มีเหตุผลดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็พึ่งน้อมเอาไปพินิษ์พิจารณาอย่าพึ่งสิ้นหวังในชีวิตของตนแม้ว่าในชาตินี้ตนจะเป็นคนจนไม่ร่ำรวยก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจ ข้อสำคัญนะให้พยายามประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจาไปทำกุศลคุณงามความดีปะให้มากเข้าเท่าที่จะมากได้เพราะชีวิตนี้เมื่อสร้างบุญบรารมียังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานหรอกอย่าไปสงสัยเลยยังจะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี้แหละ ไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้แล้วตายไปแล้วมันศูญไปเลยไม่ได้เกิดอีกไม่ใช่อย่างนั้นนี่ดังนั้นอ่ะอย่าไปสุกเอาเผากินง่ายง่ยไปเลยอย่าไปคิงสุกก่อนห้ามโบราณท่านว่านะั้นนะให้เชื่อบุญเชื่อบาปนี่ถ้าเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่นัก ก็อา้าวเมื่อบุญตัวน้อยในชาตินี่ละ่ะเป็นธรรมดามันตนมันก็ต้องสู้ต่อสู้กับความยากจนคนแค้นไปแต่ว่าเราจะทําแต่ความดีความชั่วจกไม่ทําอย่างนี้นะอธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วก็ทําแต่ความดีไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงยกอดีตชาติของคนบางคนต่างๆนั้นนำ ม, มาแสดง โม้นั่นแล้วก็เพื่อที่จะให้บุคคลผู้ที่อยากจนคนแค่นนี้ไม่ให้ชิงค่าตัวตายก่อนอให้ให้ยังถือว่าชีวิตนี้ยังมีหวังอยู่อเพราะว่าบุคคลผู้ที่อยากจนคนแค่เมื่อเขาทําคุณงามความดีเข้าไปไอ้บางทีเขาก็เลยได้ดิบได้ดีในปัจจุบันนี้ก็มีเพราะว่าบุญกุศลหนนหลังที่เขาทํามานั่นนะ มันถึงเวลามันมาให้ผลแล้วมันก็ทำมาหารับประทานอะไรก็ได้ตามประสงค์เลยหาเงินก็ได้เงินหาทองก็ได้ทองไปหาลาบหายดอะไรก็ได้ลาบได้ยดตามประสงค์ไปเวลาที่บุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่อานวยผลให้มันก็ยากจนขนแค้นไตก่อนกะอดก้อนกินเกลือไป อย่าไปเชื่อดเนื้อเถือหนังผู้อื่นก็แล้วกันถ้าหากว่าตนไม่ได้ทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนไม่มากอย่างนี้เอาก็แล้วไปยอมจนไปจนตลอดชีวิตก็แล้วแต่เรื่องของมันแต่เราจะไม่ทิ้งกุศลคุณงามความดีถ้าเป็นชาวพุทธอย่างนี้นะเราก็จะไม่ทิ้งพุทธศาสนาเราจะไม่ คลายความเชื่อความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้แม่ราจะยากจนคนแค่างไรแล้วก็จะกราบไหว้ระลึกถึงเอาเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเราจะภาวนาพุทโธอยู่ในใจไปจนตลอดชีวิตหากว่าคนยากคนจนทั้งหลายคิดได้อย่างว่านี่แล้ว เมื่อล่าโลกนี้แล้วไปเกิดในชาติต่อไปด้วยอำนาจแห่งความดีที่เขาทำในโลกนี้มันก็จะอำนวยผลให้เขามีอายุวันนะสุขภรลยปฏิพัน์ทนสารสมบัติมากมายกายกองมีอายุก็อายุยืนยาวนานตามอายุไขของคนในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็มีวันนะผิวพรรณผุด่อง ไม่เป็นคนมีผิวพรรณสูบสีดนั่นแล้วก็มีความสุขกายสบายใจเพราะไม่มีกรรมมีเวนตามสนองแต่เมื่อชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำกรรมชั่วใจตัวไม่ได้เบียดเบียนใครเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ไม่มีกรรมเวนไปตามสนองให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโครคภัยอันร้ายแรงต่างๆนานานะ โมนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่ามีความสุขกายสบายใจ เ, เมื่อเมื่อมันสบายใจแล้วใจก็โปรดต่งก็มีสติมีปัญญาแล้วแบบนี้นะอะนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยพละพลังคือกําลังทรัพย์กําลังปัญญากําลังกายอืมถึงพร้อมเลยแบบนี้นะ เมื่อบุคคลได้กายสมบัติแล้วก็วจีสมบัติมโนสมบัติอันบุญกุศลตกแต่งให้อย่างนี้แล้วมันก็สมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบ น, นี้นะมันเป็นงั้นถ้าว่าไม่ได้อาตภาพร่างกายเป็นมนุษย์สมบูรณ์อย่างว่านี่นะบุคคลผู้นั้นก็จะทำ คุณงามความดีอะไรให้เจริญขึ้นไปนั้นไม่ค่อยได้แล้วได้ก็ได้นิดหน่อยเท่านั้นแหละลองสังเกตดูนั่นแหละคนที่มีสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณนะ์อย่างนี้ทำกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้เต็มที่เลยมัวแต่สวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนี่แต่ผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดีอย่างนี้ แม้ทำความเพียรภาวนาสมาธิเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอย่างนี้มันก็ทำได้ทำได้ไม่เน็ดเหนื่อยไม่ล้าแม้จะอดนอนผ่อนอาหารก็ไม่เดือดร้อนสุขภาพร่างกายก็ยังดีเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นตามมารักษา เหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อพระองค์สเสด็จออกบวชทรงทําทุกกรกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างอดนอนฝ่อนอาหารนอนกลางดินกินกลางหญ้าอะไรหมดนั้นนะพระองค์ไม่ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องลําบากยากเย็นอะไร มุงแต่ขอให้ได้ตัดสรุ้สัมมาสัมโพธิญาณก็แล้วกันถึงอย่างนั้นร่างกายของพระ อ, องค์ก็ยังไม่สุดโท ม, มก็ยังมีกำลังวางชาว่าพื่ปฏิบัติไปตอนที่จะสุดโทมจริงจังก็เพราะตัดอาหารไม่ฉันอาหารเลยเพราะรูปร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร ถ้าขาดอาหารแล้วมันก็ซูบซีดลงมันก็ผอมลงไปยังจะหนังติดกระดูกถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วก็คงตายไปแล้วอันนี้เป็นหน่อโกที่สัตว์ได้สร้างบุญกุศลมาในวตาสงสารนับเป็นอเนกชาตินี่แหละบุญนั้นตนแหละมารักษาชีวิตของพระองค์ไว้ยังไม่ใหออ้มรณะภาพไปก่อน นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์พยายามไปพยายามมาเมื่อบุญบา ร, รมีมาถึงเขาแล้วก็เมื่อก็มาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้เห็นทางสายกลางบัดนี้นั่นนะดังที่เคยแสดงให้ฟังมาอยู่บ่อยๆแล้เมื่อพระองค์รู้ทางสายกลางแล้วอย่างนั้นก็จึงได้เสด็จบินธบาตมาบำรุง ร่างกายอันนี้ให้เป็นปกติสุขตามเดิมแล้วเพราะองค์จึงทำความเพียรทางใจก็จึงได้จัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่มีสุขภาพอนามัยดีนี่นะท่านจึงพระองค์เจ้าจึงเไดตรัสเป็นพุทธภา ษ, ษิตไว้ว่าอโรคยาปรมาราภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง เ, เป็นความจริงเลยพวกคนไม่มีโรคภัยนี่ทำความดีอะไรมันก็ทำได้ดังที่เราจะปรากฏในพระพุทธศาสนานี่นะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะไอ้ผู้มาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีศรัทธาออกบวชนี่ ส่วนมากเป็นแต่คนหนุ่มะคนอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนนี่นะแล้วคนส่วนมากก็เป็นคนที่ไม่มีพันธะคือไม่มีครอบครัวอส่วนหลายทีเดียวนั่นแหละขอบวชกับพระศาสด า, ศามเมื่อพระองค์บวชให้แล้วบอกกรรมฐานให้แล้ววนันนี้ก็พากันไปเจริญพระกรรมฐานอยู่ในที่สงบสงัดอ เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างนอนเพียงเล็กน้อยคืนหนึ่งหนึ่งท่านมุ่งที่จะทำละอสาวาะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิตตสันดานนี้อย่างเดียวไม่ได้มุ่งอะไรบวชเข้ามาแล้วไม่ได้มุ่งอะไรไม่ได้มุ่งลาบมุ่งยศมุงสรรเสริญเยินยออะไรเลยนี่พระสาวกที่ท่านมีบุญญาบา ร, รมีได้สั่งสมบรมมานาน ท่านเบื่อแล้วหมายเขามานะเบื่อความสุขชั่วคราวเพราะว่าได้ได้สัมผัสกับความสุขชั่วคราวมานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วอเป็นเศรษฐีก็เคยเป็นมาเป็นพระราชาก็เคยเป็นมาบางท่านก็เคยเป็นพระเจ้าจากกักรพรร ด, ดิราชหลายชาติทีเดียวนะแล้วเมื่อบุญบารมีที่ท่านสั่งสมมามันมากมันเต็มเข้าไปแล้วนี่ ไปเห็นเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่บนนั้นท่านก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไระเพราะว่าท่านท่านเคยสัมผัสกับความสุขเหล่านี้มาแล้วมันไม่ยั่งยืนทาวนอะไรเลยอย่างี้วันนี้ต้องการความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาในความสุขอย่างว่านั่นมันเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาเจืออยู่ด้วยความรักความชัง ความโกรธความพยาบาทความเบียดเบียนต่างๆนั่นนะอา่าใครก็อยากจะร่ำรวยเพราะความร่ำรวยเงินทอง ม, มากๆนนึกว่าเป็นสุขดีต่างคนก็ต่างหาแบบนี้ป็นลามไปขัดผลประโยชน์กันเข้าอา้าวกวางแผนสังหารกันลงนะมันถ้าเป็นอยู่นี่อะโลกอะนี่นี่แหละเรียกว่ามันหลงในความสุขชั่วคราวท่านผู้ ได้บำเพ็ญบุญกุศลมามากต่อมากก็ามาแล้วอย่างนี้ท่านก็ไม่หลงแล้ววันนี้ท่านมองเห็นว่าความสุขชั่วคราวนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ท่านก็ลงมาลงความเห็นอย่างนี้ดังนั้น่ะเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วท่านจึงตั้งหน้าทําความเพียรไปมุ่งสแสวงหาความสุขอันไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหา ที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุขนั้นแม้ผู้เป็นทายกทายิกาก็เหมือนกันผู้ครองเรือนทั้งหลายเมื่อได้สัมผัสกับความสุขในโลกนั้นเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนอะไรแล้วก็มักจะมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุข ของบุคคลผู้ครองเลือนผู้ที่มองเห็นอย่างนี้ถึงได้หันหน้าเข้ามาสู่วัดวาอารามมาฝึกผลกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเมื่อใจมั่นอยู่ในบุญในกุศลแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่เอ็นไปในทางบาปอกุศลแบบนี้ เมื่อสั่งสมบุญกุศลมากเข้าไปเท่าใดบุญกุศลเนี่ยโดนบันดาลให้เบื่อหน่ายในความสุขชั่วคราวกวัา น, นีนะ้ให้เกิดมีปัญญาขึ้นเมื่อมีปัญญาขึ้นเราก็มองดูเบื้องหลังความเป็นมาของตนเนี่ยว่าตนได้รับความสุขอย่างนั้นอย่างน้นมาแต่อดีตนู่นทีนี้ความสุขเราหายไปไหนหมดไม่มีแล้ว มันก็รู้ได้ที่อ๋อความสุขที่เราหลงไหลามาอย่างนั้นเหมือนเป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นความสุขอันจิรังยังย่งยืนแต่อย่างใดนี่ผู้เป็นทายกทา ย, ยิกาก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเอธรรมะเหล่านี้ได้เหมือนกันไม่ใช่จะพิจารณาเห็นได้แต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้น มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเห็นความสุขทั่วคราเหล่านี้เมื่อเห็นอย่างว่านี่แล้วมันก็พยายามสแสวงหาความสุขอันถาวรความสุขอันเกิดจากความสงบได้บหมนี้เป็นความสุขอันถาวรทำอย่างไรถึงจะได้รับความสุขอย่างนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็รู้ได้ทันทีเลย เออรู้ได้แหละก็เมื่อบุคคลยินดีในการบริจาคทานเอาตั้งอกตั้งใจทําบุญทําทานไปอย่างนี้นะจิตใจนี่มันก็สงบจากความโลภความตณีความหวงแหนไปแหละแบบ น, นี้เมื่อผู้ใดมาตั้งใจรักษาสินสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เ, เช่นนี้เอา้า ผู้นั้นก็ได้รับความสงบจากบาปอากุศลซี่แบบนี้นั่นแหละเหลือใจสงบจากความโกรธความพยาบาททั้งๆหมู่นี้นะเพราะว่าเมื่อเมื่อเว้นจากการเบียดเบียนบุคคอลอื่นและสัตว์อื่นแล้วมันก็ต้องลดละความโกรธลงนะถ้าหากว่าไปสะสมความโกรธนั้นไว้มากๆนี่มันจะหยุดจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ได้เลย มาเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นไปประกอบกับการรักษาสินสำรวมในศินเข้าไปเช่นนี้นนเ่ยอานิสงส์แห่งเมตตาธรรมมันนี้มันก็ทําให้ความโกรธความพยาบาทอันมีอยู่ในใจนั้นน้อยเบาบางไปโดยลําดับจิตก็สงบจากความโกรธความพยาบาทไปนี่เอาแถมมาได้ภาวนาเข้าไปแบบนี้ มาได้ฝึกใจที่พุ่งส ร, ร้างเลือนลอยเข้าถึงความสงบไปเช่นนี้มันก็ทําให้ความหลงความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ก่อนมานั่นนะระงับไปอแล้วก็เห็นแจ้งในบุญในบาปในคุณในโทษเจีมแจ้งเลยทีเดียวไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญนะ เพราะว่าบาปบุญนี่ไม่มีใครสร้างให้ใครม่บาปบุญไม่ได้เกิดมาแต่ภายนอกนะเกิดจากดวงจิต ด, ดวงนี้เท่านี้เองถ้าจิตดวงนี้เบื่อบาปแล้วมันละเสร็จแล้วมันไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีบาปนะนั่นนะนั่นแหละเมื่อจิตใจนี่มันชอบบุญกุศลชอบความดีอย่างนี้มันก็ทําแต่ความดีเข้าไป ความดีมันก็บังเกิดขึ้นในใจใจก็เป็นสุขสบายมันก็เห็นแจ้งในความดีนั้นอย่างว่าตนได้ให้ทานมางีนะมันนั่งภาวนาพิจารณาผลทานที่ตนให้มานี่โอ้มีประโยชน์จริงๆก็เกิดอิ่มใจปีติในการให้ทานของตนขึ้นมานี่มันก็มันก็เชื่อมั่นในทานทีว่าทานนี่มีผลจริง ทานนี้ทําให้ใจเป็นสุขจริงไม่ใช่สุขชั่วคราวแล้ววันนี้นะสุขส ง, งบจากความโลภไม่ดิ้นลน้นไม่ทะเยอทยานไปในทางบาปทางที่เป็นบาปเป็นโทษต่งางๆนานาไม่ไปแล้วอืนี่แหละบุคคลเอเมื่อละสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารอ น, นั้นแล้วมันก็ย่อมได้ในสิ่งที่เป็นแก่นสาร เหมือนอย่างหุูคอนถากไม้ถากเปลือกถากกระพี้มันออกหมดแล้วมันก็ได้แก่นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนอย่างหุูคอนเพียรพยายามละบาป่าความชั่วออกไปจากกายวาจาใจเนี่ยให้ได้มากไปเท่าไหรเท่าไหรแล้วประกอบปุสนความดีไปพร้อมๆกันไปเลยอย่างนี้มันก็ทําให้ใจนั้นใสสะอาดใจนั้นหนักแน่น ใจนั้นไม่วันไหวไปตามอำนาจแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนั่นมันมันก็เทียบกันได้แหละกับเรื่องบุคคลถากไมนเป็นอย่างนั้นวันนี้เราก็ได้แก่นแห่งธรรมเราได้แก่นแห่งธรรมก็คือดวงจิตดวงนี้แหละไม่ได้หมายเอาอยางอื่นดอกแก่นแห่งธรรมก็ดี จิตดวงนี้ตั้งมัน่นไม่วันไหวต่อความชั่วต่างๆที่กระทบกระทั่งมาพูดกันอย่างง่ายๆธรรมดาคนมีบุญมากนี่นะมีใจตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลแล้วใครจะด่ามามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่งุศยิดอย่างนี้แหละใครจะยกโทษตีเตียนมาอย่างไรจิตใจมันก็ไม่เดือดร้อนไม่วุนวาย คนมีบุญมากนะให้สังเกตดูตัวของเราทุกคนนะแต่ถ้าว่าใครด่ามาแล้วใจยังวู้วีอยู่มากมายแล้วนั่นบุญยังไม่มากพอต้องสร้างบุญกุศลเข้าไปให้มากๆแล้ววันนี้ น, น, นั่นแหละกิเลตนั่นแหละมันมาเตือนให้เราสร้างบุญนะสําหรับคนที่ต้องการบุญต้องการความสุขอ่ะถ้าไม่มีกิเลสอย่างนี้มา รบเล่ามาทาให้ใจเดือดร้อนอย่างนี้มันก็จะไม่คิดสร้างบุญกุศลความดีจะไม่บำเพ็ญธรรมะให้เกิดมีขึ้นในใจของตนมันจะว่ากิเลสนี่มันไม่มันไม่มันชั่วทั้งหมดก็ไม่ใช่นะท้านึกถึงคุณของกิเลสมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะกิเลสนี่คล้ายๆกับว่ามันมาเตือนเราให้ ให้พยายามถอนตนออกจากโลกนี้เพราะถ้าขืนยังอยู่ในโลกอันนี้นะมันจะต้องได้สัมผัสกับเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องไม่พออกพอใจต่างๆอยู่อย่างนี้เลยนีค่าๆมันเตือนอย่างนี้นะแต่คนเรามันทำไปรู้ตัวเฉยๆหรอกถ้าพอได้รู้ตัวแล้วกิเลสมันก็ดีเหมือนกันนะมันมาเตือนเราให้ทำความดีให้ย ก, กจิต ดวงนี้ให้สูงขึ้นให้พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปให้เป็นกําลังใจให้ใจเป็นสมาธินั้นเรียกว่าใจรวบรวมเอาบุญกุศลเข้าไปไว้นะถ้าหากว่าบุญกุศลไม่เข้าไปสู่จิตใจนั้นได้ใจจะไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิเลยขอให้เข้าใจกันแล้วกันไอ้ที่บุคคลมีใจสงบตั้งมั่นลงได้นั้น เพราะมีบุญบุญเกิดขึ้นในใจอย่างเช่นว่าบุคคลผู้มีความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าอย่างนี้นะเอาก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วใจมันก็ไม่พุ่งไปหาเรื่องอื่นนี่เพราะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่เอาแล้วเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระคุณอันนี้ต่อพุทธโธคุณนี่แหละอย่างนี้นะ ก็น้อมใจลงสู่พุทโธอันนั้นเข้าไปแล้วใจมันก็ไม่ฝักไปไปในเรื่องอื่นเอาไปเอามาในที่สุดใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อันนั้นแหละเรียกว่าสั่งสมบุญนะขอให้เข้าใจเมื่อเราทำใจให้สงบลงไปแล้วให้ลงไปได้แล้วอารมณ์ ตัวลายต่างๆมันระงับไปเลยอย่างนี้นะนั่นเลยได้ชื่อว่าตัวบุญนะนี่ตัวบุญมันเกิดขึ้นในใจแต่ใจยึงสงบลงได้ขอให้เข้าใจเรามีบุญมากพอสมควรทีเดียวนะเราจะไปหาเอาไหนเอาบุญนั่นเอาตัวบุญนั่นเอาที่ไห น, นนี้ลองคิดดูถ้าไปหาเอาที่อื่นหาไปเท่าไหร่ก็ไม่พบหรอก ไม่พอ บ, บุญเป็นชื่อแห่งความสุขอย่างนี้นะเมื่อเมื่อว่าเอาเป็นภาษาไทยแท้ๆ แ, แล้วนะบุญเป็นชื่อแห่งความสุขแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนวะนี่เอาความสุขมาอยู่ที่ใจสงบที่อื่นไม่มีความสุขอะ่ะมีอยู่ที่ใจสงบอย่างเดียว เพราะว่าที่อื่นร่างกายทุกส่วนเราจะบำรุงปนฝือมันสักเท่าใดก็าตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่อย่างนั้นมันก็แปลผันหวั่นไหวอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะไปหาเอาความสุขที่อื่นใดนั้นไม่ได้เลยหมือนกับว่าเราจะส่งจิตนี่นะไปอาศัยสิ่งใดในโลกนี้นะ แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นของเที่ยงยั่งยืนตลอดไปเนี่ยไม่มีเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้คนเรานั้นทําใจให้สงบก็หมายความว่าพึ่งตัวเองบัดนี้พึ่งความสงบของใจนั่นนะเมื่อใจสงบลงไปเป็นหนึ่งแล้วใจก็ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเจะว่าพึ่งคุณก็ได้คุณคุณหรือบุญกุศลก็ ก็คือใจสงบนั่นแหละไม่ไม่ใช่มีรูปร่างอะไรอะ่ะใจสงบเป็นหนึ่งลงไปอยู่นั่นน่ะมีความดีทั้งหลายอยู่ในนั้นหมดอย่าไปสงสัยเลยอยู่ในนั้นแหะเราอาศัยบุญกุศลอันที่กลั่นกรองเข้าไปแล้วไม่มีบาปเข้าไปแทรกแซงนั่น อ, อันนั้นแหละบุญกุศล น, นั้นจึงทำใจให้ของใสเบิกบาน ปัญญามันถึงได้เกิดขึ้นมาจากความสงบของใจที่อาศัยบุญกุศลก่ อ, กอให้เกิดขึ้นมาให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาในใจนั่ น, น, นแหละทําให้เกิดปัญญาขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นความจริงของชีวิตตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมัน่นว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนนี้แหละ คือหนทางค้นทุกภัยในวตาสสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้